อยากอยากจะย้ำความเข้าใจอีกสักนิดหนึ่งหรือว่าสิ่งที่ผมถามเนี่ยจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยผมมีความเข้าใจว่าอตอนเนี้เราเรามีตัวรู้อยู่สองตัวที่ที่น่าจะอธิบายารู้ตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณขันเนี่ยมเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของการสังเกตสังเกตเห็นการไดคิดปรุงแต่งเนี่ย อันนี้เป็นเป็นรู้ตัวหนึ่งเรื่อวิญญาณขันแล้วแล้วก็มีตัวรู้อีกตัวหนึ่งวิญญาณธาตุรู้ตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยรู้เฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรตัวตนอะไรเลยสองตัวเนี้นะครับอยากให้หลวงตาอธิบายซีกสนิดหนึ่งเข้าใจถูกรมรับครู้ความจริงมีสามรู้เนะื้อรู้อันแรกคือวิญญาณขันวิญญาณขันเนี่ย ทำหน้าที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เอามาพูดเอามาบ่นเอามาคิดตึกต้องในใจเนี่ยเป็นธรรมชาติดับไม่ได้เนี่ยคือวิญญาณขันเนี่ยเป็นรู้อันหนึ่งแหละรู้อันที่หนึ่งคือทำหน้าที่รู้ต่างตารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการของใจรู้ทำอารมณ์รู้เสร็จแล้วก็เอามาปรุงแต่งในใจเอามาพากนะที่เราบอกคนภากมันพูดมันบ่นมันบึมบาบึมบามบึมบาบึมบานี่แหละ ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นขันห้าหมดเลยมันเป็นวิญญาณทหารทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารก็คือขันห้าหมดนะเนี่ยมันทำงานร่วมกันแต่ความที่มันเกิดดับเร็วมากมันเลยเลยเหมือนกับว่ามันรู้รู้อะไรปุ๊บมันออกมาพากมาพูดในใจเลยมันก็เลยเร็วมากเราก็สังเกตเห็นเนี่ยสังเกตเห็นที่ตัวเราเนี่ยแหละใครเป็นคนรู้แล้วก็ตัวเราเป็นคนรู้ก็สังเกตเห็นในตรงตัวเราเนี่ยที่มันรู้อะไรมันต้องพากันพูดเราจะไปรู้อย่างอื่นย่าไปรู้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้อย่าไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้ ไปรู้อะไรสนใจแต่ไอตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรมันพากันพูดไม่หยุดเนี่ยรู้ตรงให้ภากันพูดไม่หยุดเนี่ยรู้ตัวนี้แล้วก็สักแต่ผมรู้ตัวนี้ <fooled. S 1> พอสักแต่ผมรู้ตัวนี้จริงแล้วมันก็จะเลยพบใจที่ว่างเป่าที่มันไม่พากไม่พูดเออตอนนี้อันที่สองเนี่ยตัวรู้อันที่สองก็คือสติปัญญาที่ไปสังเกตเห็นเออไอตัวที่ไปสังเกตเห็นก็คือรู้ไปรู้สังเกตเห็นก็คือไปรู้ว่าภายในใจของเราเนี่ยไอตัวจิตหรือวิญญาณขันเนี่ย มันไปรู altung, land, ą, mind, around, doctor, ้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะต้องมาทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารเอามาพากเอามาพูดเอามาบ่นเอามาคิดตึกตองเอามาพุมพุ่มพุ่มพุ่มพุ่มอยู่ในใจไอ้ตัวสังเกตเห็นเนี่ยก็เป็นตัวรู้อีกอันหนึงเรียกว่าตัวสติปัญญาไอ้ตัวสติปัญญาเป็นขันห้าสมาธิก็เป็นขันห้าไอ้ตัวเรารู้เนี่ยคือไอ้ตัวเนี้มันก็คือตัวปัญญาณขันไอ้ตัววิญญาณขันเนี่ยมันมันจะรู้สึกว่าตัวเรารู้เพราะว่าเรายังยึดเอาขันห้าเนี่ยเป็นตัวเราอยู่ เพราะนั้นพอรู้เรารู้อะไรเสร็จมันก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้เวลาเราไปรู้อะไรต่างๆอู้เจ้าลิรนกายใจในแต่ละขณะเราจะรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้และตัวเราเป็คนบนแต่เราก็เห็นว่ามันจะรู้สึกยังไงว่าเป็นตัวเราตัวเราไงก็ตามเราเห็นว่ามันเป็นตัวปุงแต่งก็สิ้นเรื่องปล่อยมันมันจะรู้สึกเป็นตัวเราได้มันต้องปุงแต่งเป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเพราะเราไปมีเราไปยึดขันห้าเป็นตัวเราไว้ตัวยึดได้มันก็ต้องเอาตัวขันห้ามันยึดตัวมันเองมันก็เนี่ยนี่ยคือตัวตัวรู้ที่เป็นขันห้ากับตัััววรู้คือตติปญญา แล้วตอนนี้พอรู้ความจริงเข้างี้ปุ๊บมันก็เลยสิ้นยึดพอสิ้นยึดเสร็จปุ๊บมันก็เลยเหลือแต่ใจไอ้ตัวที่ทําหน้าที่สังเกตมันก็หมดหน้าที่ไปเพราะว่ามันกลายเป็นใจที่ไม่ยึดอะไรมันก็เลยไม่ต้องมานั่งสังเกตอยู่เพอใจมันไม่ยึดพอใจมันยึดปุ๊บมันไปเป็นพุทธะพุทธะแปลว่ารู้จริงรู้แจ้งรู้พ้นคือมันรู้พ้นด้วยใจของมันเองคือใจน่ะมันเป็นธาตุรู้ไงใจที่มันเป็นความว่างแต่มันเป็นธาตุรู้ที่เป็นพุทธะ สี่ก็มาแปลเป็นไทยว่ารู้ตื่นรู้เบิกบานเน่ยความจริงก็คือมันมันรู้ตื่นเบิกบานเพราะมันไม่ยึดอะไรให้เป็นทุกข์มันก็เลยรู้ตื่นเบิกบานแต่ความจริงคือมันเป็นตัวรู้แจ้งใจเนี่ยมันเป็นตัวรู้แจ้งรู้จริงรู้พ้นรู้แล้วก็รู้แบบว่ารู้ตัวเองอะพ้นทุกข์รู้ว่าสิ้นการยึดรู้ว่าพบชาติจบแล้วการเวียนว่ายตายเกิดจบแล้วพบชาติใหม่ไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมันรู้นิพพานแล้วตัวตนไม่มีจริงๆวิแต่ใจที่ว่างเปล่าเป็นมหาสุญญตาคือว่างเปล่าเหมือนจับกับ จับกับความว่างของจักรวาลเป็นมหาสุญญตาอยู่ตลอดการยังไม่ทันตายก็เป็นอย่างเงี้ยตายแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันดับไม่ได้มันทําลายไม่ได้อยาวุธใดๆในโลกก็ทําลายมันไม่ได้นิพพานกับขานไม่ตายมันแปว่ามันไม่มีตัวตนกลายเปใจที่ว่างเปล่าไปไอ้ใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันมีความรู้ก็เรียกธาตรู้มันเป็นความรู้ในตัวของมันเองคือมันเป็นธาตรู้ไอ้ตัวที่มาช่วยทำให้พบใจที่ว่างเปล่านี่คือตัวสติปัญญาไอ้นี่ก็เป็นตัวรู้อีก แต่พอมันไป็ใจที่ว่างป่าแล้วมันเป็นตัวรู้ผลรอบบัดนี้มันมันจบภพชาติแล้วบรรลุนิพพานแล้วมันสิ้นผู้ยึดแล้วตัวตนไม่มีไอตัวตัววิญญาบมาคอยสังเกตช่วยไว้มันก็มันก็ไปมันไม่ต้องมาช่วยแล้วไอตัวนั้นพรุทธเจ้าเลยจัดว่ามันเป็นเพียงแค่อาศัยเป็นเลือข้ามฟากไปฝั่งนิพพานเมื่อบรรลนิพพานแล้วคือสิ้นผู้ยึดสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาดับหมดแล้วอวิชชาดับไปเพราะอวิชชาดับตัวเดียวคือสิ้นยึดสิ้นความหลง ไปตัวสถิปัญญาที่มันคอยสังเกตช่วยเหลือไว้มันก็ไม่ต้องแล้วมันเป็นตัวของตัวมันเองแล้วมันก็เลยเหลือแต่ขณาดที่ยังไม่ตายมันเหลือแต่ไอตัวภาพตัวพูดตัวบนมันก็ยังพูดอยู่ในใจที่วางเปล่าแต่มันทําอะไรใจที่วางเปล่าไม่ได้ใจที่วางเปล่าก็มีตัวใจนะเพราะว่ามันเป็นความบ้างเหมือนกับจักรวาลไปแล้วไอตัวที่พูดที่บน่ะมันเลยพูดบนอยู่ในความบ้างของจักรวาลมันไม่ใช่ว่ามันพูดอยู่ในใจที่วางเปล่าเนี่ไม่ใช่นะมันพูดอยู่ใน เหมือนกับพูดอยู่ในความบ้างจักรวาลตัวตน ไ, ไม่มีไม่มีรู้สึกก็มีตัวใจไม่รู้สึกว่ามีตัวตนทีนี้ในในแนวทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสําหรับผู้ฝึกปฏิบัติเนี่ยจําเป็นต้องต้องรู้เป็นสเต็ปอย่างนี้ไหมหนึ่งสองสามรู้แรกหลังจากที่เกิดพัสสะแล้วเนี่ยแล้วก็มีการนึคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับแต่ผมผมเข้าใจว่าสําหรับพระอราหารันต์ผู้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยคงจะไปไปไปสู่รู้ตัวสุดท้ายคืออ พุทธะเลยใช่ไหมครับอย่างอย่างพวกเรากําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็ควรจะรู้ตั้งแต่ต้น ต, ตั้งแต่ภาฒนาที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช้ใช้ปัญญาสังเกตก่อนที่จะไปถึงขั้นสุดท้ายใช่ไหมครับต่อสังเกตแล้วก็วางปล่อยวางหมดทั้งไอตัวผู้สังเกตแล้วก็สิ่งที่ไปสังเกตเห็นคือต้องปล่อยวางต้องติดกิจตัวรู้แล้วก็ปล่อยวางทั้งผู้รู้คือปล่อยวางทั้งไอไอที่สังเกตเห็นการปล่อยวางทั้งสิง่งที่ถูกรู้แล้วปล่อยวาง ปล่อยวางผู้รู้เนี่ยมันมันปล่อยวางสองคู่คือคู่แรกคู่แรกเนี่ยไอตัวสติปัญญามันสังเกตเห็นว่าไม่ว่าตัวเราเนี่ยจะไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการทางใจที่เรียกว่าธรรมารมเนี่ยเวลามันรู้เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวผู้รู้เนี่ยไอผู้รู้ที่เป็นวิญญาณอคต์เนี่ยมันก็จะเอามาพูดเอามาบ่นมาคิดตึกตองอยู่ในใจ จนเหมือนกับเป็นตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งตึกตองตัวเราทั้งรู้ทั้งคิดทั้งตึกตองทั้งภาก็ทั้งพูดอยู่ในใจไอ้ตัวเนี้ยผู้ที่มีสติปัญญาสังเกตเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือแล้วเป็นทุกข์ก็เลยปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้คือปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ไม่สนใจสิ่งที่ถูกรู้ไม่เข้าไปสนใจยึดถือสิ่งที่ถูกรู้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ และไม่สนใจยึดไอ้วิญญาณขันที่ทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารว่ามันต้งรู้ทั้งบ่นั้งพูดเนี่ยไม่ยึดมันต้อคู่เลยอืมไอ้ไอ้ตัววิญญาณขันเนี่ยที่ไปรู้อะไรก็ไม่ยึดสิ่งที่ถูกรู้ด้วยแล้วม่ยึดตัวอวิญญาณขันที่มันทํางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารด้วยที่มันต้งรู้ทั้งคิดต้งพูดต้งบนเนี่ยก็ไม่ยึดมันซะด้วยเลยเรียกไม่ยึดไม่ยึดคู่แรกเลยไอ้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันผู้รู้คู่แรกไม่ยึด ไอสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้คู่ที่สองก็คือไอตัวสังเกตเนี่ยสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวสังเกตไปรู้ว่าตอนนี้มันไป ม, มันไม่ไปสนใจไอไอไอลูกรถกินเสียงสัมผัสทำอารมณ์ที่ที่เป็นในภายนอกแหละมันสนใจแต่ไอจิตแวิญญาณาขันเนี่ยที่ไปรู้อะไรแล้วมันมาพูดมาบ่นมาบ่นมาบ่นมาบ่มี บ, บ, บ่มีอยู่ในใจมันสังเกตเห็นแต่ไอไอจิตแวิญญาณาขันเนี่ยไอตัวเราเนี่ยที่ทั้งรู้ทั้งคิดต้งพูดต้งบ่นยู่ใน ใ, นใจเนี่ยไอสติปัญญามันก็สังเกตเห็นอยู่อย่างเนี้ย สังเกตเห็นตัวเราไม่ว่าจะไปรู้อะไรมันก็พูดมันบ่นแล้วพอก็เห็นว่าไอ้ตัวมีญาติขันเนี่ยมันก็พูดมันบ่นมันเนี่ยไม่มีหยุดแล้วมันเป็นขันห้ามันไม่ใช่ตัวเรามันเกิดเกิดดับดับมันก็พูดบ่นอย่างเงี้ยมันไม่ตายมันเป็นมันก็ดับมันไม่ได้เป็นชีวิตถ้าถ้าตายซะกก่อนแล้วมันค่อยดับถ้าจะดับมันตอนนี้ก็ต้องตายฆ่าตัวตายแล้วมึงจะดับแต่ถ้าดับแล้วยังไม่เข้าใจยังไปเป็นไอ้ตัวพูดตัวบ่นก็ยังต้องไปเกิดแล้วไปพูดไปพากไปบ่นต่ออีกไปทุกต่อ เราก็เห็นว่าไอ้ตัวสติปัญญานึงเรเป็นขันห้ายืมมาใช้เมื่อไหร่เนี่ยพอเผลอหน่อยสติก็ดับสติปัญญาก็ดับพอมีรู้สึกตัวก็มาสติปัญญาก็มีเอพอเผลอหน่อยสติปัญญาก็ดับพอรู้สึกตัวมาก็มาสังเกตเห็นไอ้จิตวิญญาณขันมันพูดมันบ่นมันตึกมันตองได้อีกเพราะั้นต้องมีสติปัญญาคอยปรุงแต่งเอาไว้ก็เรียกว่าสติปัญญาก็เลยตัวปรุงแต่งมาคอยรู้รู้ไอ้ตัวตัวเราเนี่ยที่ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งพูดทั้งบ่นทั้งพาก็ทั้งรู้ทั้ง วิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกพิจนาสัญญาสังขารนี่แหละก็อาศัยไอ้สติปัญญาเนี่ยที่ปรุงแต่งมาคอยรู้เอาไว้แล้วก็เลยก็เห็นว่าโอ้สติปัญญาก็ต้องปรุงแต่งไว้เพรอไม่ปรุงแต่งปุ๊บมันก็หายไปไม่ปรุงแต่งมารู้ไว้มันก็หายไปและไอ้ตัวที่ถูกรู้ก็คือไอ้ตัวจิตวิญญาณขันธ์ที่ถูกรู้มันก็เป็นขันธ์ห้าเป็นตัวปรุงแต่งก็ขันธ์ห้ายึดถือไม่ได้มันเกิดเกิดดับดับตายแล้วก็ดับหมดไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนตัวเราจริงจังทีเลยปล่อยวางไอ้ตัวที่ต้องรู้ต้องคิดต แล้วก็ปล่อยวางทั้งไอ้ไอตัวส ต, ติปัญญาคําว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ได้แ่บโยนทิ้งแล้วไม่รับไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แบบเออไปวันวันหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่นะก็รู้เห็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปยึดว่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้แหละไอ้ผู้รู้เราเนี่ยสองคู่เนี่ยเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นแต่เพียงขันห้าไอ้สิ่งที่ถูกรู้คู่แรกรูปเสียงกินรสสัมผัสเนี่ย อันนี้มันไม่ใช่ขันธ์หมันเป็นอายตนะภายนอกคือมันอยู่นอกขันธ์หน้าแต่มันเป็นสังขารบุ้งแตง่งมันมีแต่ธรรมารมก็คือเวทนาสัญญาสังขารที่ทํางานร่วมกับเนี่ยไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยมันก็เลยมาเป็นได้ไอ้คู่รู้ตัวไหนก็คือว่าไอ้ธรรมารมกับ ไ, ไ, ไอ้วิญญาณขันธ์ที่ที่มันมารู้ด้วยกันพอมารู้อะไรมันเข้ามาปรุงแต่งข้างในไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยมันไปรู้อะไรภายนอกตัวขันธ์หน้าเนี่ย มันเป็นรู้ภายนอกตัวขาน่ามันก็เข้ามาปรุงแต่งในใจไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันก็เลยไปรู้อะไรมันก็เข้ามาปรุงแต่งในใจรู้อะไรมันเข้ามาปรุงแต่งในใจอ้นี่มันเป็นธรรมอารมณ์ไอ้ส่วนเนี่ยธรรมอารมณ์เนี่ยกับไอ้ตัวส ต, ต, ติปัญญาเนี่ยไอ้นี่มันเป็นขัน่าตอนนี้เราก็เลยไม่ยึดไม่ยึดอะไรไม่ยึดถือตั้งไงไอ้สิ่งภายนอกตัวเราเพอเราปล่อยวางสติปัญญาด้วยแล้วปล่อยวางไอ้ตัวเราที่ขี้พูดขี่บ bon ่นด้วยมันก็เลยปล่อยวางขัน่าด้วยและไอ้รู้รสกินเสียงสัมผัสเนี่ยมันถูกปล่อยวางตั้งแต่อายตนะภายนอกกต้งแแแ่่คูรลว แล้วมาเหลือคู่ที่สองก็คือวัยสติปัญญากับไปที่สติปัญญาเป็นผู้รู้แล้วก็ไวิญญาณขันธ์ที่ทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้คู่ในนี่เลยมันก็เลยปล่อยวางให้หคู่ในคือปล่อยวางทั้งไอ้สติปัญญาแล้วก็ปล่อยวางทั้งไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันทํางานร่วมกันปล่อยวางมันทั้งคู่คือปล่อยวางไม่เข้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันก็เลยปล่อยวางหมดเลยปล่อยวางทั้งสิภายนอกและปล่อยวางทั้งขันธ์ห มันก็เลยพบใจที่ว่างเปล่าในใจที่ว่างเปล่าเนี่ยเมื่อเราปล่อยวางขันหน้าเสร็จแล้วมันก็ไม่ไม่มีจิตถือขันหน้าเป็นตัวเป็นตนเอาตัวเราเนี่ยมายึดใจที่ว่างเปล่าพรปล่อยวางหมดแล้วไงมันก็ไม่เอาไอ้ขันหน้ามายึดถือใจที่ว่างเปล่าไอ้ใจว่างเปล่าเมื่อเหร่กลายเป็นใจที่ว่างเปล่าเพราะมันไม่มีใครมายึดถือมันก็เลยกลายเป็นใจที่ว่างเปล่าตลอดการส่วนขันหน้าและภายนอกขันหน้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ถูกปล่อยวางหมดแล้วไม่มีใครยึดถือใจที่ว่างเปล่าก็เลยือด เป็นนิพานไปขั้นต้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะเกี่ยวข้องกับสติด้วยเพราะว่าการที่เราจะรับรู้อะไรต้องมีสติออย่างเช่นตามองเห็นมันก็ต้องมีสติก่อนตรงสตินี่นะครับอาจารย์มันจะเกิดขึ้นได้ตอนไหนมันเกิดขึ้นจากการฝึกหรือว่ามันมันจะขึ้นในขั้นตอนของการสังเกตสกติตัวนี้นะครับอมันก็ต้องฝึกสังเกตอย่างนั้นแหละคือไม่ว่ากระทบอะไรทางตาหูจหมูกเล่นกายขณะ ขนากระทบเลยต้องทั้งเกตขนาดกระทบทุกขณาปัจจุบันตอนที่ตาเบรูปหูไปได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นริมรสด้วยสัมผัสเนี่ยขณะปัจจุบันนั้นเลยต้องฝึกสังเกตให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ใจละทีใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาว่าภายในใจเราเนี่ยมันมีตัวเราเนี่ยที่พูดขี้บนขณะรู้รูปลู่เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วใจเราเอามาคิดเอามาพากมาพูดมาบ่นเป็นยังไงนะเสร็จแล้ววันนจะทำอารมณ์ ธรรมอารมณ์เนี่ยคืออาการของใจทุกชนิดเนี่ยที่มันกับเพื่อบที่มันกับเพื่อมีกิเลสมีตัณหามีอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันกับเพื่อมันไหวตัวเนี่ยเราจะไปดูตัวนี้เพราะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นธรรมอารมณ์มันเป็นธรรมอารมณ์มันเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็เป็นอายตนะภายนอกความรู้สึกลึกคิดอารมณ์อาการของใจกิเลสต่างๆเนี่ยที่มันถูกรับรู้ได้ทางประตูใจเนี่ย มันเป็นธรรมารมเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันอย่าไปสนใจอายตนะภายนอกเป็นอันขาดเลยขณะที่กระทบให้สนใจว่าไอจิตวิญญาณขันเนี่ยเมื่อมันไปรู้อายตนะภายนอกแล้วเนี่ยคือรู้ทั้งรูปเสียงกี่รสรวมทั้งธรรมารมที่เป็นอาการของใจทุกชนิดมันพูดมันบ่นมันพากว่ายังไงเห็นตรงวิญญาณขันที่มันพูดมันบ่นมันพากอย่างเดียวนะอย่าไปรู้อาการทางใจที่ถูกรู้เด็ดขาดเลย นี่อะพระอภิธรรมไงที่ว่าพระอภิธรรมเนี่ยเคยเคยไดียินใช่ไหมพระอภิธรรมพระอภิธรรมสอนเรื่องรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปคือร่างกายจิตเมื่อกี้ที่บอกว่าดูฝึกจิตฝึกใจปฏิบัติธรรมเหมือนกับว่าแม่โคเลี้ยงลูกน้อยแล้วก็ลูกน้อยกับแม่โคเนี่ยแม่โคกินหญ้าก็ตาของแม่โคก็เคยเหลือบดูลูกน้อยแม่โคกินหญ้าตาของแม่โคก็คอยเหลือบดูลูกน้อยแล้วปลอดภัยหรือเปล่า ลูกน้อยเนี่ยที่ที่ท่านบอกว่าลูกน้อยก็คือคือจิตคือจิตหรือคือใจนี่ไงาตามาพระบิธรรมนีไงอจิตหรือจิตก็คือวิญญาณขันธ์นะจิตนี่คือวิญญาณขันธ์เออส่วนเวทนาส่วนเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเนี่ยเวลารู้จิตเนี่ยดูตรงจิตหรือวิญญาณขันธ์นี่ที่มันทํางานร่วมกับเจตสิกเนี่ย เห็นมันเนี่ยมันพูดมันบ่นมันรั่วอะไรก็มันก็พูดมันบ่นมันพูดมันบ่นมันพูดมันบ่นเราเห็นเพื่ออะไรก็เพื่อปล่อยวางจะได้ปล่อยวางวิญญาณขันและปล่อยวางเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารนี้เมื่อปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางรูปคือกายปล่อยวางจิตคือวิญญาณขันปล่อยวางเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารมันก็เลยเป็นนิพพานไงนิพพานมันเลยมีตัวหนึ่งมีรูปจิตเจตสิกแล้วก็นิพพาน พิพานก็คือจิตที่ว่างจากทุกข์โอ้ยตอนนี้แม่โครชมาเริงดูลูกโคเนี่ยลูกโคตัวนี้ก็คือจิตคือวิญญาณขันธ์ที่ที่มันทํางานร่วมกันของเจตสิกถูกต้องเอแล้วมีลักษณะอย่างไที่เราไม่มองเห็นได้ลักษณะอางไรบนพึมพำพูดกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะต้องต้องแม่นตรงนี้นะต้องแม่นตรงเนี้ยพูดไปพูดมาต้องแต่เช้ายังหลงหลกประเด็นไปเอาอาการกับเพื่อไปเอาอาการของกิเลสเมื่อรู้กิเลสแล้วเนี่ย วิญญาณขักฐานเนี่ยมันไปรู้กิเลสเมื่อในใจมีกิเลสวิญญาณขลักฐามันพูดมันบ่นกับเพื่อนว่ายังไงอ่ะมันพูดอย่างไงมันตึกต่อว่ายังไงมันคิดตึกต่องยังไงมันภาคยังไงแต่มันเป็นแค่วิญญาณขักฐานเนี่ยทำงานร่วมกับเจตสิกแต๊เดียวเสี้ยววินาทีเดียวมันกลายไปเป็นธรรมอารมณ์เลยเพราะอะไรพอมันพูดนั้นบ่นเสร็จปุ๊บมันเป็นวิญญาณหักฐานมารู้เพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวแล้วไปทํางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารแล้วมันก็เลยพูดมันบ่นพราะมันพูดมันบ่นมันมีอารมณ์ุ มันกลายไปเป็นธรรมอารมณ์เพราะอะไรวิญญาณอาคารตัวใหม่ก็เลยมารู้ว่าไอ้ตัวเราพูดบ่นอะไรในใจไอ้วิญญาณอาคารตัวใหม่ที่มารู้ว่าเราพูดบ่นอะไรใน ใ, นใจเสร็จปุ๊บมันก็ทํางานโลกกับเจตสิกอีกเวทนาสัญญาสังขารวินแล้วก็วิญญาตัวใหม่อีกมันก็พูดมันก็บน่นมันก็ภาคต่ออีกพอมันพูดมันบ่นมันภาคต่อปุ๊บมันเป็นแค่ วิญญาณขันเที่ยววินาทีเดียวคือทำหน้าที่รู้เสี่ยววินาทีเดียวแล้วพอมันไปทำร่วมกับเจตสิกวิทนาสัญญาสังขารมันพูดเป็นพากุ๊บมันเลยกลายเป็นธรรมอารมณ์อีกพอเป็นธรรมอารมณ์เสร็จไอวิญญาณขันตัวใหม่มารู้ไอที่เราภาคแลับพูดระบวนตัวใหม่พอเราภาคแลับพูดตัวเหมือนใหม่ไอวิญญาณขันตัวใหม่ทํางานร่วมกับเจตสิกอีกแล้วมันก็เลยพากพูดบนใหม่อีกมันเลยรู้แล้วพากพูดบนใหม่แป๊บเดียวเสี่ยวิีเดียวมันเลยกลายเป็นธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้ว่า ตัวเราพากเราพูดเราบ่นอะไรถ้าสติวิญญาไม่ขาดจะเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาว่ามันพาคมันพูดมันบ่นไม่หยุดเลยมันทํางานเร็วมากเลยแต่ทุกตัวมันจะพากมันจะพูดเร็วขนาดไหนก็ตามมันก็คือสังขารไม่เที่ยงทั้งหมดพอมาเห็นสังขารไม่เที่ยงทั้งหมดมันก็เลยปล่อยวางปล่อยวางก็เลยเป็นนิพพานมันก็เลยมีรูปจิตเจตสิกนิพพานเลยวิธีการ